คนอื่นแจ้งวุฒิชากนเนาะแฟนปพน้อยสงมีปพน้อยเสียจึงสับตังค์เองพนอนุวานเนี่ยพน้อยกับตัวคนเดียวเดินทั้งวันลูกคิดอะไรทำอะไรไม่ถูกก็แจ้งวุฒิชากเถองแต่วันนี้ทำไม่มีกิจกรรมอะไรวันนี้ วันคล้ายวันวันเกิดทุ้งท่านวันนีของงดสวดแต่ศพเขาริจากโรงพยาบาลแล้แจ้งให้พวกเราทราบแล้วก็จะหายตัวไปเลยละประมาณอย่างน้อยอย่างน้อยสามอาทิตย์กลับมาก็ต้นเดือนหนา เพราะนั้นพวกเราอยู่ทางนี้ก็ปฏิบัติคือคือไม่เคยแต่รู้ได้เห็นได้ยินในอกนะยูกู น, กนอนเวลาตัวเองเคยมีเกิดธรรมะกซ้อมมาไว้เผื่อวันในวันหนึ่งไม่อยู่ทาวรตำแหน่ง ไม่แค่มาอยู่ชั่วคราวเพราะนั้นสามคำ6กคำจากนี้ไปก็เอาไปใช้กับชีวิตหนึ่งคือเวลาแสางมันเกี่ยวข้องกับตัวเราเอางครับว่าตัวเราในะตอนนี้คือทุกคนก็ประกอบด้วยสามคำเป็นอย่างน้อย นั่นคือชีวิตที่พร้อมอยู่ตัวยแล้วลก็มีจิตแล้วก็กั้อันนี้นคือพื้นฐานตัวไปในเวลาสถานที่บุคคลก็อามาใช้กับชีวิตเนี่ยะครับว่าเวลาเอามาใช้กับชีวิตชีวิตตอนนี้เป็นยังไง ชีวิตเริมต้นจา ก, าากจคำว่าชีวิตก่อนที่จะมีชีวิตอยู่แลหลังที่จะมีชีวิตไปแล้วมูคําว่าชีวิตในขณะที่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีชีวิตเราก็สิ้นบนโลกใบนี้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขออ์กังข้าต่างนี่เป็นเรื่องสําคัญมากมาก ถ้าจิตของเรายังไม่เห็นโพที่เป็นอ น, นิจจังต้างกันนซึ่งเป็นคำที่สองก็คือว่าจิตมันก็สับสนวุ่นวายอยู่ย่างนี้วางมาได้ปรุงไม่ลงพวกเขาาไม่เข้าใจมันเข้าใจว่าชีวิตแล้วก็จิตมันนำประส่การกระทำหรือพฤติกรรมของคนของมนุษย์ของสัตว์ เท็่แสดงออกที่เกิดจากความคิดของตัวเองแสดงออกโดยคําพูดใช้ออกโดยการกระทําหรือพฤติกรรมก็คือผลงานนั้นแหละนี่คือเครื่องวกรรมเป็นตัวสุดท้ายคาออกกําว่าการนั้นมาดูเอาวิาชิตชีวิตควรจะประกอบอย่างไรหมายว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่นะี่ มีรมหายใจอยู่เราตัวอย่างเราก็เห็นเยอะๆมากมายเพราะนั้นสามคำาคือเวลาสถานที่บคุคคลมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเวลาเรายัางมีเวลาอีกมากใครไม่เคย ร, รู้ย้อนกลับไปเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราเป็นอย่างไร อันนั้นคือผลงานกของเราที่จะมีขึ้นดีขึ้นแย่ลงในอนาคตแล้วนะคำว่าชีวิตที้เราดูยังไงคนบนโลกเจ็ดพันล้านคนเราจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรตัวอย่างที่ไม่เดีนเป็นอย่างไร เราทำไมไม่โอ้กันนะยิ่งโก้คือนน้องก็ห่าเราโม่แต่รอเวลาปฏิบัติธรรมนั่งลับโอ้รับตาเมื่อไหร่เรี็ว่าปฏิบัติธรรมแล้วเขาเข้าใจผิดอย่างนี้มานานก็แปลเวลาที่เหลือสิบกว่าชั่วโมงก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันแล้และเราเข้าใจกันอย่างนี้เป็นมิจฉาที่ฐิที่ทกเข้าใจผิดก็ใช้เวลาผิดใช้ชีวิตผิด เราใช้ชีวิตดูความประมาณนั่นก็แปลว่าขณะใดที่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะเป็นผู้ประมาณห ม, มั่นไอไว้ในชีวิตเดี๋ยวก่อนรอก่อนชักก่อนเนี่ยเข้ามาชีวิตในชีวิตมันไม่รอชีวิตก็คือเวลาเวลาไม่เคยรอใครเขาก็ไปของเขาไปเลยติด ต, ต่ตอติดต่อเขาไป เ, เรื่องเขา ใครจะดีใครจะชั่วเขาก็ไปตามการเวลาวันนี้อันนี้คือเวลาครับเดียวถ้าเราเอามาพิพจนารณาในขณะที่เรายืนเดินนั่งก็เอายกกับพิจารณ์เพื่อ เ, เกิดประโยชน์อันนี้คือความชีวิตจิตของเราก็เช่นเดียวกันความาแจ้งว่าเวลาเวลานี้ จิตของเราเป็นอย่างไงเราเท่านั้นที่รู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงคือสภาวะแะเรว่าสภาวะจิตเป็นยังไงจิตของเราก็ตามถ้าเราไปเห็นสภาวะจิตเป็นยังไงคือสภาวะธรรมนั่นเองสภาวะธรรมมันก็ไม่เกิดเมื่อสภาวะจิตมันได้ดี สภาวะธรรมมันก็ไม่เกิดเมื่อสภาวะมันเกิดมันจะเป็นรู้ธรรมชาติความไปอยู่ของชีวิตได้อย่างไรเพราะนี่คือสภาวะสภาวะธรรมคือเวลาในขณะที่การนั่งคิดต่อเวลาจากนี้ไปเรามีเวลาอีกเท่าไหร่มันไม่ได้เยอะเวลาสถานที่ สถานที่ไหนควรทำตัวอย่างไรอย่ังเช่นวัดเราเจอเห็นว่าตอนนี้คาว่าสันติมันเป็นอย่งงกายมันสันติวาจาสันติแตใจมันไม่สันติสันติคำเดียวน่ะพอหยุดพูดสักพักเดี๋ยวจอยจอยจอยจอยจอยดคนละคำเกลี้ยงเจ้ากันหมดเนีือความสงบนั่นคือวาจา แต่ถ้าเป็นสุภาสิทธิ์แล้วสุภาวาจาวาจาที่เป็นดีก็ดีแต่อะไรก็ตามตัวที่เราต้องคำนึงก็คือสติคิดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีเขาตมีสติทัองเอาไว้สติต้องกำงกับอยู่เสมอคือแสงสว่างเกิดแล้วมันจะขจัดความมืด ความบอดความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ในโลกใบนี้ตัวปัญญาเป็นตัวขัดจัดเป็นตัวปราบความมืดคืออวิชชาที่มันไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่โอ้ชีวิตก็จะได้มาขนาดนี้ก็จะมานั่งก็มายืนมาเดินมานอนบนโลกใบนี้ก่อนหน้านั้ น, น, นมันไม่ใช่ธรรมดา อีกเรารู้ว่าสรรพสัตว์ต่างหลายคือไม่ได้อยู่ในสภาวะของเราแค่อยู่ในสภาวะสถานะความเป็นคนอย่างเราเนี่ยยังไม่อีกเยอะเทียบไม่ได้เลยเรามีแค่เจ็ดแปดพันล้านคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้คือสภาพอย่างเนี้ยสถานะอย่างนี้ที่มีโ อ, อกาสอย่างเนี้ยมันนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าโชคดีจ่ได้รูปได้สังขาร ได้นา้ำที่อาศัยอยู่แล้วถือว่าดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ใช้ของดีให้เป็นประโยชน์เรากลับไปใช้ของดีให้มันเป็นโทษคือไปใช้รูปร่างกายท่าศีกข้ห้าสังขารในฐานที่ผิดผิดโ ด, ดยพราคือไม่ใช่เป็นประโยชน์เลยเมื่อกี้เราพูดกันมาว่าคุกคุกก็คือไปที่ขังก็คนละมิดศีลห้า เช่นเดียวกันคนที่ออกจากคุกได้ก็คนที่มีศีลห้าครบอันนี้แค่คุกโดยสมมตินะคุกเล็กน้อยที่เขาจับได้ไล่ทันคนที่เขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนี่เยอะจี่อยู่นอกคกนะุกเนี่ยเพราะฉนั้นพวกเราทุกคนตราบใดที่ยังไม่หมดไม่พ้นพูดงานๆยั ง, งยเป็นปุถุชน อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ติดคุกน้อทุกวันเรากำลังติดคุกอยู่แล้วประมาทไม่หาทางออกจากคุกคุกคืออะไรคุกคือวัตตะสงสารเที่ยวเข้าเที่ยวออกคุกอยู่เนี่ยวนไปเวียนมาอยู่เนาะถ้าเป็นนักโทษ เ, เขาออกเขาออกคุกอยู่แ พอทำดีขึ้นหนะ่อยคอก็ปล่อยออกมาไ ป, ไปทำไม่ดีขึ้นมาเขาก็จับเข้าคุกอีกจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันวนไปเวียนมาอยู่นี้ติดคุกในวัฏฏะสงสาร น, นั่นแล้วเมื่ อ, อไหร่จะได้ออกคนที่ออกจากคุกเบื้องต้นพื้นฐานเหมือนกันเลยคนนั้นจะต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานถึงจะออกจากคุกอั น, นได้ดังคุกคือวัฏฏะสงสารนีีนี้ ไม่รู้พวกเราเสียห้าแต่ละวันแต่ละคืนมันครบไหมถ้าไม่ครบก็วนไปเวนมาอยู่นี่แหละก็จะ ไ, ไปไหนมาไหนเสือติดจันอยู่นีนะ่ในสภาวะหรือสภาพสภาวะธรรมอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่มันก็จะเป็นอยู่างนี้เนะพรานะว่าวัฏสงสารจะเป็นกุกที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอันนี้ไม่ใช่ใหญ่ในประเทศโลกใหญ่ที่สุด ในพัตตะกับเป็นที่ขังก็สัพพะจัตตังหลายสะับกุฏิเดี่ยววิชางคือไม่มีความรู้คนที่ไม่เข็ดไม่ลาบก็จะเป็นที่ขังอยู่อย่างนี้แต่วขังในสภาพไหนครูเขาแบ่งออกเป็นเดนหนักเราก็เอาแยกแยกขังเลยครูก็เหมือนการกับมาอีกถึงปล่อยออกมาแล้วกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์ นี่ขันแยกแดนกันแหละนี่แดนคนนะอั น, นี้แดนสัตว์นะคนเขาอยู่ยังไงสัตว์เขาอยู่ยังไงถ้าเรายังแยกไม่ออกผมเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ใช้เวลาอยู่อย่างนี้ยแต่เป็นเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยใช้ชีวิตที่ไม่คุ้มค่ากับการเกิดเป็นคนซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ กว่าจะได้เกิดมามีทาตุสี่กันหน้าอย่างพวกเรานมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วต่อไปจะได้กลับมาเป็นคนอีกหรือเปล่าเอาแค่เนี้ยเอาแค่เป็นคนเป็นมนุษย์จะพูดถึงเทวดาเทวดาไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือไปเสวยคือจะออกจากร่างไม่ได้เสวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความดีความชั่วเกิดขึ้นไปเสวยหมดหมดบุญ หมดอายุไขก็กลับมาเหมือนเดิมกลับไปไหนตอนี้ต้นทุนไม่มีเดีย๋ยวคิดว่าจะเป็นเทวดามันจะดอีอาจจะแยกก่กว่าก่อนอยู่ในโลกมนุษย์อาจจะแยกก่กว่าเทวดาเพราะนั้นเราทุกคนติดไว้โชคดีตรงที่เรามีทางเลือกจะเลือกไปทางไหนสุดสัจนราชพระองค์ที่แล้วท่านตรัสเอาไว้ชีวิตของเราเนมันน้อยน้อยนะ พวกเราลองไปอ่านดูน้อยมากๆไปจน้อยแต่บดังชีวิตของเขาเนี่ยเราเลือกได้เลือกไปทางไหนไปทางดีไปทางไม่ดีเลือกขึ้นบนเลือกลงล่โดยการกระทำโดยความคิดคำพูดการกระทำของตัวเราเองแต่เราคิดไมนดี พูดไม่ดูทําไม่ดูเราก็ต้องจิตนาการเองมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นทิศทางไหนเนี่ยมันะอยู่ที่เราคนอื่นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคิดแทนเราไม่ได้พูดแทนเราทําแทนเราไม่ได้แล้วเราก็เป็นรับผลงานอันนั้นเป็นทายาทเป็นผภรรคบารดก ก็อยากให้มรดกนั้นนะเป็นมรดกธรรมถ้ามราดกธรรมเกิดขึ้นแล้วตแก็เป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพย์อันเปรื่องนั้นนั้นตั้งแต่กับทรัพย์ที่เป็นของโลกที่มีอยู่ทุกวันนี้มีขนาดไหนก็ทำอะไรไม่ได้โลกขีย้ยะทรัพย์ทำอะไรไม่ได้ของโลกกุตระทรัพย์ โน้ซับข้างหน้าอาริยทรับมันเท่านั้นที่เป็นใน่พึ่งพาเราเพราะฉะนั้นอยาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทให้นึกเกินว่าเวลาการที่บุคคลทําตัวอย่างไรทําตนอย่างไรชีวิตควรจะประกอบด้วยอะไรจิตคือสภาวะจิตควรจะเป็นอย่างไรกรรมอยู่ที่การกระทำนี่แหละที่จะได้ออกทางความคิด คาพูดการรมทำหรือกลกรรมเมื่อยิตกรมโนกรรมถ้ากาย oh. กรรมก็ดีเมื่อจีตกรรมก็ดีโมกโนกรรมก็ดีไม่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมหรือไม่มีธรรมะปัญญาสภาวะของคนสัตว์ทั้งหลายไม่ต่างกันเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เราต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จัดการความคิดของตัวเองพูดกับตัวื่น การกระทำของตัวเองคือพฤติกรรมนั่นก็คือจิตนั่นเองเอาจิตมาอบรมเลือกจิตมาอบรมเพราะจิตมันไม่ดีมันได้ใส่ไม่ดีเอาจิตมาอบรมโดยการยืนเดินนั่งแล้วก็มีสติสอนว่าทําอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ทําตัวอย่างนี้ไม่ได้คืออบรมเรียกว่าอบรม แต่ถ้านเราไม่เคยอบรมมันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยปละละเลยก็คุกเป็นที่อยู่คุกเป็นที่ไปข้างหน้าก็วัดตากสงสารรออยู่ไปไหนไปได้ข้อเราไม่อบรมคนที่ไม่อบรมก็คือมไม่ฉลาดจิตไม่เกิดไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะปัญญามันไม่ฉลาดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นแหละตอนนั้นถ้าภาษาเราง่ายๆคยือ คนโง่คนฉลาดคนต่างกันตรงนี้หลอกกระเ า, งงาิง่ายง่ายเวลาบ้านบ้านเราเนาะแต่นี่เราจะเลือกออกแบบอยู่แบบโง่โง่ไม่อยู่แบบฉลาดเราเลือกได้บทที่สิบสสังฆราชนี้แล้วแตจับนลยเลือกได้หมดเลือกเสร็จแล้วจะไปโทษใครนาะอย่าาคนไปโทษกรรมไปโทษเวทซึ่งอะไรก็ไม่รู้ถามเอาเวทคืออะไรกรรมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพอเขาพูดมาอย่างนี้ได้ยินมาอย่างนี้เขาพูดต่อทําต่อคิดต่อ ก็เลยมาเข้าใจว่าเวนมันคืออะไรกรรมคืออะไรใครเป็นเจ้าของก็ตัวเองนั่นแหละตัวเราเองแลเก็เป็นเจ้าข อ, ง, อางเมื่อเราเป็นเจ้าของเราจัดการได้ไหมได้แต่เราทําไมเราไม่จัดการถ้าคิดว่าอันนั้นเป็นสม บ, บัติของเราทาไมเราจัดการไม่ได้อะอันนี้คืออันที่สองตัวผลในการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีแนวควิดอย่างนี้ แต่เป็นเวลาไหนก็ตามสถานที่งะไรก็ตามอยู่กับครก็ตามข้อจิตของเราเป็นธรรมะมีธรรมะไม่ใช่รู้ธรรมะรู้ธรรมะอพอแล้วคนที่รู้ธรรมะมันเยอะแล้วเราเนี้แต่คนที่มีธรรมะมันมีน้อยเราจะเลือกเอาแบบรู้ธรรมะหรือว่ามีธรรมะก็เลือกได้ เพราะนั้นช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยก็ให้เราถึงนับไว้เวลาสถานที่บุคคลสิวิจิตกรรมธรรมะปัญญาต้องลงด้วยปัญญาที่เหลือไม่ต้องไปทำเลยไม่ต้องไปทำเลยวุรรมารสังเวชวิราคะนิพพานมันเป็นเองโดยอัตโนมันมนนติอันคือขั้นตอนของมันใบนั้น ฝากพวกเราทุกคนอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาณในวัยในชีวิตท่องไว้เวลาเวลานี้ควรทําตัวเวลานี้ควรคิดอย่างไรเวลานี้ควรพูดอย่างไรเวลานี้ควรทําอย่างไรมันจะได้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆกับคาว่าเวลาไม่ใช่เอามาดูแค่นาฬิกาว่าเวลานี้เที่ยงแล้วบ่ายแล้วคอยอแค่ดูเวลาเฉยๆแต็ม่รู้ดูเพื่ออะไร มันเที่ยงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันบ่ายแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าดูเวลาแล้วเทียบกับชีวิตเราช่วงนี้มันยังเช้าอยู่ก็คือวัยเด็กวัยกําลังเกิดขึ้นวัยกาลังเติบโตไล้วว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมก็ถือเป็นวัยเด็กวัยเด็กมันเที่ยงแล้ววัยกลางคนแล้วเนาะตอนนี้ชีวิตเราอยู่วัยกลางคนแล้ว วัยที่ผ่านมาคือวัยเด็กวัยเริ่มต้นมันเป็นยังไงตอนนี้มันบ่ายแล้วมันค่อยแล้วเวลามันใกล้จะหมดแล้วก็ท่องไว้อย่างเวลาหมดค่ำแล้วลงดืนเขาออาไปเผาเขาเอาไปฝังเพราะหมดเวลาลแล้วหมดทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตก็วนกลับมาอีกมันไม่ตายแล้วมันไม่ได้สูญ วนกลับไปกลับมาอยู่นี่มันก็เรียกว่าติดคุกนะเรียกว่าวะตะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายท่านยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทยังรอวันเ ว, นวลาสถานที่บุคคลต้องไปหาคนนั้นค น, คนนี้คนโน้นสํานักนั้นสํานัก น, น, น, กนี้มันเสียเวลานั่งอยู่ตรงไห น, นเป็นตรงนั้นบุญกับบาป ทำอยู่ตรงไหนเป็นบุญทำบุญตรงไหนเป็นบุญตรงนั้นทำบาปตรงไหนเป็นบาปตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับสารสัตย์ที่พุกคนเอาให้เข้าใจตามหลักการตามหลักเกณฑ์อย่างนี้ชีวิตเราจะมีคุณข้าวจะมีประโยชน์โทษมันก็จะน้อยลงวันนั้นชีวิตเราถ้าใช้คุ้มอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปกลัวตายตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะตายต้องอย่างนี้ าเห็นอดีจยังทุกขอังอนาตาแล้วพร้อมเพราะนั้นสร้างความพร้อมอให้เกิดขึ้นกับเราเสมอทุกวันอย่าใช้ชีวิตอยู่ความประมาณอันนี้คือธรรมะฝากพวกเราสำหรับช่วงที่ไม่อยู่ก็เอาไปเก็ที่พิจารณานำโอปนายิโกน้อมไปสู่การปฏิบัติเราก็จะได้เกิดผลในทางที่ดีขึ้นใหเป็นประโยชน์ต่อในการครองชีวิต ว่าอยู่แบบโลกก็ตามจบบะทำก็ตามโดยเฉพาะนี่คือสมณะพระเนนเป็นผู้นะเป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างทุกเรื่องเลยต้องเป็นนำก่อชาวบ้านต้องเข้าใจเรื่องพนี้มากกว่าชาวบ้านไม่ใช่เป็นนำในทางที่ไม่ดีนำที่มันนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพาริยสงฆ์ก็เรียกทำนอกทางมันนอกรูนอกทางไม่ใช่ทางธรรม มันไม่เชื่อแต่ครูบาอาจารย์ยังไม่เชื่อเลยพุทธธรรมประสงค์จะอะไรมาเชื่อจิตของอะไรก็ขาดใจสาระคมเมื่ อ, อไรนะไม่มีสภาวะความเป็นคนเป็นมนุษย์ท่องรวยอย่างนี้สิ่งทีประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้คือใจสาระคมมันต้องไปเพึ่งอะไรอีกแล้วพุทธเจ้าประจัดเอาไว้แล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าแล้วะไปเชื่อใคร เชื่อตัวเองเชื่อใครแค่บรรลุเชื่อบุคคลเชื่อสัตว์สิ่งของก็ใช้ชีวิตยอยู่อย่างเนี้ยอนาคตคมต้องทำนายโอเคปัจจุบันเรก็ลาบากตอนนี้อยากจะใช้ชีวิตยอยู่ประมาณคือยกพระธรรมใจให้มันสูงขึ้นแล้วก็อยู่กับพระธรรมใจคือคนของพระเจ้าคนของพระธรรมนคนของรอริยสงฆ์จิตใจขงเราจะไม่ตกต่าไปกว่านี้ คือความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่หมดไม่พ้นก็ยังได้เกิดมาเป็นคนอยากสร้างบารมีต่อได้เพราะไม่งั้นก็หมดเลยนะเป็นสัตว์ต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่าคนเมื่อไหร่ก็หมดระยะเวลาไปชาติหนึง่งระเากคุณเราทุกคนเบื่อเป็นแนวนึกแนคิดแ น, นพิจารณาเทวดาเชาวนี้เราขอขอนุโมนาความดีพวกเราทุกคนที่มาร่วม ฟังธรรมจำวัดปฏิบัติธรรมนักศาอย่างนี้อยู่บ้านก็ดูอยู่วัดก็ดูเราได้เรามีสติปัญญาใช้สติปัญญาให้มันเปนประโยชน์อย่าไปทํานี่มันเป็นโทษทั้งตัวเองและผู้อื่นชีวิตเราก็จะ อ, อยู่เย็นก็คืออยู่แล้วก็เย็นมันถึงจะเป็นสุขราะนั้นขอใหเราทั้งหลายได้ทั้งหมดทั้งมวลได้อยู่เย็นเป็นสุข ท, ทุกคนทุกทันเธอ